ผมหรือเครื่องประดับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ยังนิยมที่จะใช้ดอกไม้เป็นเครื่องถัดผมแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูจะใช้กันบ้างเหมือนกันโดยมากเดี๋ยนี้จะเป็นดอกไม้เทียมนะครับอย่างเช่นในเครื่องลัดผมเนี่ยก็ยังใช้ดอกไม้ใครเอาดอกไม้สดๆมาแซมผมกันเดี๋ยวนี้ก็แลจะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะเฉยกันมากถึงพ้าท่านไม่ใช้เลยนะครับก็ถือว่าไม่จําเป็นแต่ว่าที่เราไปบูชาพระนั้น มันไม่ใช่เรื่องของพระแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะแทรกไว้หน่อยเพราะว่ามีบางแห่งเขากล่าวว่าอย่างนี้ว่าเปการเป็นการบูชาพระด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําให้พระเสียใครอย่างนั้นนะเอาไอ้พวกสิ่งเรานี้ซึ่งผิดศีลข้อหนึ่งในศีลแปข้อไม่น่าจะเอาไปบูชาพระบางแห่งเกาพูดอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ตำหนิท่านกลับ ยอมรับแล้วก็อนุมัติหรืออนุโลมให้ชาวโลกทําอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นบูชาอย่างนั้นอ ย, อย่างเช่นในสมัยนั้นก็มีนายมาลาการหรือทรงกล่าวถึงพระหลานที่ดับขันแล้วเอากระดูกไปบรรจุไว้ในเจดีย์ก็ทรงกล่าวถึงว่าเป็นบุคคลผู้ที่บุคคลควรจะเอาดอกไม้เอาของหอมไปบูชาหรือแม้แต่มาบูชาพระพุทธเจ้าเองก็ตามนะฮะเช่นเอาไอ้ดอกไม้มาโรยให้พระพุทธเจ้าทรงเดิน หรือเอามากระลมาไหว้ทนะ่านเหมือนเนี่ยเราไปกราบไปไหว้เจ้าเนี่ยถือว่าท่านไม่ได้ท่านยอมรับเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าพู้ที่เจ้าจะเอาไปใช้เอาไปดมเอาไปประดับแต่ท่านถือว่าเป็นเครื่องแสดงออกถึงความรู้สึกในทางเคารพเลื่อมใสของผู้คนท่านจึงยอมเพราะว่าคนเราเนี่ยเราใช้อะไรเราเสพอะไรเราเห็นอะไรดีเราเคารพสิ่งอื่นศรัทธาสิ่งอื่นบุคคลอื่น เราก็มักจะเอาสิ่งที่เราเห็นว่าดีอย่างของเราไปเป็นเครื่อ ง, องเคารพเพราะนั้นจึงไม่ผิดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องมหรศพมโหรศพคือพวกละเมงละครดนตรีเราก็มักจะเอาไปบางทีนะครับผมก็เคยเห็นมากรตาดีไปบรรเลงถวายพระให้พระอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นท่านพระภูประกาศเนี่ยวัมาทาตุะยี่สิบ้าก็มีคนเขา เขาใครใคมาลำถวายทา่ทานโวยพรท่านท่านก็ น, นั่งสะดูกดีเหมือนว่าสงเคราะห์เขาอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้เรื่องอย่างนี้อ่ะมันก็ไม่ถึงว่าเป็นเรื่องนอกกรีดทีเดียวแม้ว่าพระนี่ท่านจะห้ามนะะท่านจะห้ามแต่เรามีสิ่งเหล่านี้ในงานบุญบ้างก็ไม่ผิดเพราะว่าอย่างในมหาปริญญนิพานสูตรตอนที่พระเจ้าปริญญนิพานนั้นก็ปราบทว่ามีทั้งดนตรีทิพย์ คือเทวดาก็เอาดนตรีมาบรรเลงประโคมในงานพระบรมศพของพระพุทธเจ้าแล้วก็มนุษย์คือพระมหากษัตริย์ก็ได้มีดนตรีของมนุษย์มาบรรเลงถวายพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นั้นไม่มีการตำหนินเอาไว้เลยกับถือว่าเป็นบุญคุณสมแก่ผู้ที่ถวายเป็นบุญนะฮะไม่ใช่เป็นบาปเพราะเราถวาย เ, ยเพื่อบูชาหรือเพื่อเป็นการ คล้ายว่าเฉลิมเกียรติเฉลิมพระเกียรติของท่านทะน้นในที่เรามีงานบวดแล้วก็อาจจะมีดนตรีมีอะไรบ้างเพื่อให้ชาบ้านเขาได้ดูได้ความเพลิดเพลินอะไรไปเนี่ยก็ถือว่าเราให้เชาวบ้านเพราะว่าชาบ้านเราก็มันก็ยังทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ีเดียวท่านก็ยอมรับตามฐานานรูปไปอย่างนั้นแต่ที่ผิดเนี่ยแล้วก็ผิดในระดับของพระพระไม่ควรจะไปดูหรือไปฟอนไปหลัง หรือไปเคื่องร่วมกับสิเหล่านี้เครื <c oughs> ่งกเครื่องรูปล้ยนี่ก็ก็เช่นเดียวกันนะของหอมคืออย่างอื่นๆที่เป็นเหมือนเป็นอนุสาขาเพราะว่าผ้าก็มีผ้าแวดกาสีเครื่องรูปลร้พวกจุนพวกจันนี่ถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่อย่างอื่นก็เป็นบริวารไปหกพึงยินดีเงินของ เอาว่าเงินทองะมีความหมายตามตัวนะเงินหมายถึงเงินตราเงินตราเครื่องใช้สอยแล้วก็ทองก็หมายถึงทองหมายถึงประพุทธเงินเงินทองทองที่เป็นเครื่องประดับหรือเป็นของมีค่านี่แหละอันนี้แต่ถาท่านกัูปุระเงินหมายถึงเงินคือเงินตราที่จะทําด้วยโลหะก็ตามทํำด้วยไม้ก็ตามซึ่งใช้แทนเงินเรียกว่าเงินตราม ซึ่งพระอรหันท่านไม่ยินดีที่ท่านใช้คำว่าไม่ยินดีเลยนะคะแล้วไม่ยินดีท่านกนหมายถึงไม่ยินดีด้วยความรู้สึกพอใจเหมือนอย่างเราเห็นเงินแล้วตาลุบโลเราจะพูดว่าเห็นเงินไม่ตาโตมันก็โตท้่ไหนฮนะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดังนั้นแหละครับถึงเราอาจจะไม่อยากจะได้เงินของใครแต่เงินเนี่ยรูเหมว่ามันจะมีดีผลสมมติมมเราไปเจอใครก็ทําเงินตกเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราคงไม่นึกอยากจะได้จริงจ เห็นเห็นเงินเห็นกระเป๋าคนโตเราก็นึตรงสาลคนเจ้าของทันทีแต่ถ้าถ้าเราไปเห็นเท่าเราก็ตาโตเหมือนกันคืออิทธิพลของเงินมันยังจับจิตอยู่โตไม่ใชอยากได้แต่ว่ามันรู้สึกตื่นเต้นความยินดีเรายังมีอย่างฝังใจอย่างนี้แต่ถ้าถามท่านไม่มีเลยท่านเห็นตรงกันข้ามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเห็นเงินเป็นอสราพิษเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนะว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองและท่านก็เห็นแบบพูดง่ายว่า ครับผมพูดอย่างนี้คงจะไม่ถึงกับผิดว่าเห็นเดินเดินไปตามทางแล้วไปเห็นเ ง, นงนินเห็นทองเหมือนเห็นขี้หมาแล้วเราเห็นขี้หมาเนี่ยเราอยากจะหลีกเลยกำลังจะเหยียบหย่อนเท้าลงไปเราชะงักทันทีพระอรหันเนี่ยท่านก็จะต้อรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าพ ร, ร, ระพุทเจา้าเองตัดไว้บางแห่งว่าเป็นมนตินเป็นมนตินของวันอะทิตยนะและวยิ่งพระอรหันเนี่ยท่านจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ตามพุทธคดอย่างแน่นอนทีเดียวเป็นมนตินแล้วว่าเครื่องแปกเปลือน เหมือนที่หมูที่หมาอย่างว่านะดังนั้นท่านงไม่ต้องการทีนี้อเรื่องเงินมันพูดกันไม่จบหรอกครับผมพูดพูดแล้วผมก็ต้องข อ, อกาาาระฐานอาไผ่ปลาด้วยเพราะว่าผมเองเนี่ยผมผมพูดพูดตามตำราผมก็พูดอย่างนี้แต่ว่าจริงๆผมก็ยังยังชอบถวายเงิ น, นปลายังรู้สึกว่าชอบถวายเงินปลามีความสุขที่ได้ถวายเงานานินปลามันเหมือนเป็นตัวแทนปัจจัยสีนะครับปลาท่านก็จะได้ชายซอยเป็นเรื่องที่ พูดไปพูดมาอย่าเราก็ไม่ตำเหน็กระรุ่นหลังแล้ว น, นะครับแต่ว่าระเสถระวาตเราเนี่ยถึงจะยังไงยังไงเรายังรักษาทำมาเอาไว้รักษาวินัยถึงแม้บางทีจะปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ก็ตามดังฉะนั้นที่ผมพูดเนี่ยถ้ า, ถามีโอกาสาจะถวายนะครับจะถวายนะครับพุม่มระนับสนุนแต่พูดอย่างภูมิธรรมจริงๆนะครับภูมิธรรมจริงๆในขั้นสูงของพระหลานแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเพศของผู้บวช ก็การบวชนี่ก็ย่อมจะบอกชัดอยู่แล้วว่าหมายถึงการหลีกจากโลกอะไรที่เป็นเรื่องที่โลกต้องการผู้บวชเป็นพระก็จะต้องไม่ต้องการหรือจะต้องปฏิบัติเพื่อความไม่ต้องการข้อเจ็ดพึงรับแพะแกะไก่สุกรแล้วก็แปดพึงรับช้างบัวม้าลานี่ประเภทสัตว์นะครับตัด์ ่ประเภทสัตที่เขาเลี้ยงเพื่อกินเนื้อหรือกินไข่เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานต่แปดแต่เพื่อใช้แรงงานถ้าเป็นอแพะเนี่ยพวกแขกเขาชอบกินแพะแล้วก็แกะก็เหมือนกันไก่ก็เมือนกันสุกรก็เหมือนกันจะได้นก็แขกไม่กินหมูแขกใช้เดียกินแขกเดียกินหมูแขกเดียไม่กินแต่วัวนะครับพวกวัวที่ถือเป็นฐานนาของพระเจ้าแต่บางกลุ่มที่ไม่ได้ถือ ลัที่ฮินดูนะครับเขาก็อาจจะกินเหมือนกันในสมัยพุทธ ก, กาลจึงมีการแล่วัวขายแต่ว่าพวกที่นับถือพระเจ้าและถือว่าวัวเป็นฐานะพระเจ้าของไม่คิดซึ่งพระอระหันต์ไม่รับที่จริงพลาเดี๋ยนี้ก็คงจะไม่นิยมจะรับยกเป็นแต่บางแห่งซึ่งก็ก็มีพระอาจารย์ก็บอกว่าอาจารจะอยู่ทางต่างจังหวัดมาบางวัดที่ปลาไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรกันเลย ก็มีการเลี้ยงไก่กันไว้ก็เป็นไก่ชนแล้วก็ถึงนักในคำนัด้ขครอบมานักชนไก่กันอย่างเงี้ยทีมต่างจังหวัดนะฮะก็พระทางเราเนี่ยขึ้นไปทุดงไปจาริกอยู่แถวนั้นอาจารก็ไปเห็นมาอย่างนี้แล้วอ่ารก็ร่านลงเลไหมไม่ไม่ร่าไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าบวชกันก็แบบตามเรื่องตามราวการศึกษาเขาไม่มีก็เลยตีไก่ข้อเก้า รับนกกระทานกคุมและหางนกยู่หางนกยู่นั้นเป็นเครื่องประดับสมัยก่อนหรือคนที่ยังไม่มี <c oughs> อารยธรรมทางการแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าไปมีดี่พ้นมากก็ย <c oughs> ังใช้พวกหางสัตว์มาเป็นเครื่องประดับนะครับอย่างที่เราเห็นได้จากสารคดีชีวิตของพวกคนป่าคนดง ที่พอจะหาดูได้เขายังประดับหางนกยูงหรือหางสัตหางนกต่างๆนกกระทาแล้วก็นกคุมที่เลี้ยงไว้กินตัวก็ดีกินไข่ก็ดีหรือเลี้ยงไว้ฟังเสียงของมันก็ดีเมืนยังเลี้ยงนกเขาแล้วก็พึงทรงเกี้ยวอันมีสีเหลืองเกี้ยวนั้นหมายถึงก็เห็นจะทำนองเดียวกับที่นางงามอย่างเช่นนางงามตะกวาลก็ใส่กัน ที่เรียกว่ามงกุฎมันกลายเป็นมงกุฎไปแล้วนะเกลียวมันจะจะหางหางหางเกลียวแทนที่มันจะคุมลงมันสวัดไปข้างหลังเลยกลายเป็นมงกุฎไปสมัยก่อนนะั้นเป็นเกลียวอย่างที่เราเห็นได้จากคล้ายๆฉ า, าแต่ฉาดนั้นมันเป็นมันมีแค่ข้างหน้าเหมือนเกลียวด้วยแล้วข้างหลังมันคุมไปหมดแต่ถ้าเป็นเกลียวจริงๆนั้นก็ไม่ได้เต็มรูปอย่างชดาดทีเดียว ทีนี้ทำไมบอกว่ามีสีเหลืองแต่ว่าสีเหลืองนั้นอาจจะหมายถึงเป็นทองนะถ้าเรียกเป็นสีก็เรียกว่าสีเหลืองถ้าเรียกโดยเนื้อวัตถุก็เรียกว่าเป็นทองไปหรือถ้าไม่มีทองแต่จะเอาสีของทองก็ต้องมาทาสีเอาเองหรือใช้วัตถุอย่างอื่นที่มันมีสีเหมือนทองมาตําให้เหมือนเป็นทอง ข้อที่สิบเอ็ดพึงทรงผ้ามีชายยาวเคาว่าพึงทรงผ้ามีชายยาวนั้นก็เป็นลักษนณะการนุ่งห่มอย่างชาวอินเดียนนะครับซึ่งคําว่ายาวนั้นหมายถึงยาวอย่างเพื่อความสวยงามไม่ใช่อย่างลาอย่างลาเนี่นุ่งห่มพอเป็นปริมณฑลไม่ใช่ยาวจนงมาทั้งลากลากลิแต่ก็ไม่ใช่ตั้นจนกระทั่งไม่ เป็นการปกปิดอวัยวะที่สมควรปกปิดเพื่อความเหมาะสมสมรวมฉะนั้นคำว่ายาวตรงนี้จึงเป็นหมายถึงส่วนเกินคือนื่งหมอย่างมีส่วนเกินเพื่อความสวยงามเราคงจะจําได้ที่คนสำคัญสำคัญเขาแต่งงานนะทีเขาก็แข่งกันได้เรื่องไดเรื่องชุดวิวาชัยที่ชุดวิวาที่ชุดาราตีชายยาวนะบางทีเขาต้องการจะให้หรให้กินเน็ซข้าวมาลงหนังสือมันยาวจนจะทั่ง ต้องมีคนแบบหางใา้ใี้ผ่าจุดราตรีกันนี่จุดแต่ายันนียหมยาวจนกระทั่งมันไม่น่าจะเป็นเครื่องรุ่งห่มที่เหมาะสมแต่เขาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิของเขาห้าสิบสองครับดูสิบสองพึงเป็นผู้ครองเรือนตลอดชีวิตนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องของคริขัดคาริขัดเราเนี่ย เราถือว่าเป็นผู้ที่มีการครองเรือนตลอดชีวิตเอาล่ะถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะคิดบางคนก็คิดฝันไว้ว่าในชีวิตป็ผมมาไวหรือมัดที่มาไวนั้นอาจจะยังเป็นผู้ครองเรือนแต่ว่าเมื่อยามแก่แล้วก็อาจจะบวชนะครับแต่ว่าการบวชของชาวบ้านเนี่ยยังไม่คือถึงแม้ว่าเจ้าตัวเองจะตั้งใจหรือจะอธิษฐานว่ายังไงก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องรับรองนะฮะ หรือบางทีบวชไปแล้วเนี่ยไอ้ความคิดกัดแขกงที่จะกลับมาสู่การคลองเรือนในมันมีเพราะฉะนั้นความผูกพันในเรือนเนี่ยจึงเป็นเจ้าเรือนของคารวะเป็นทือเป็นกิเลส น, นะจึงไปบวชแล้ความผูกพันในเรือนมันมีต่อให้เป็นพระดียังไงก็ตามเราไปอ่านประวัติดูแล้วหรไปคุยดูยะะแล้วท่านก็บอกว่าท่านต้องต่อสู้หรือเป็นเจ้าคงเจ้าคุณเนี่ยถ้าเพอจะสนิทก็ลองไปถามดูก็ได้บางทีอยู่เนี่ยเพอย่างอื่นนะไม่ใช่ว่า จะอยู่อย่างมีความสุขเต็มอิ่มในเพศบันชิตโดยไม่มีความรู้สึกเ ล, ลาอะไร่าจริงๆอันนี้หลายๆท่านได้พูดอย่างนี้นะครับได้บอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลักของเรามันก็เหมือนกับเราในมีกิเลสเป็นแกนของชีวิตในการที่เราจะต้องสลัดกิเลสห้ามกิเลสไปบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องความพยายามส่วนน้อยของเราซึ่งต่างกันกับพระหรหัน พระอรหันเนี่ยท่านกำลัึกกลับตาลปัดผู้งายความคิดท่านกลับตาลปัดกับชาวบ้านของพระอรหันท่านมีความเป็นอนาคาริกเป็นความรู้สึกประจําใจบวชแล้วก็ไม่เคยคิดจะสึกเลยแม้แต่ความคิดก็ไม่มีครับคิดจะสึกจริงจิงจริงมีไม่ได้อมันคล้ายๆกับข้อสามที่ว่าผู้ครองเรือนนั้นขับแคบในบุตรตรงนี้ ก็ไม่ให้แต่คนที่ยังโสดอยู่นะครับยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้มีคู่รักยังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะยังมีคิดจะมีคู่ครองก็าตามก็ถือว่ามีข้อดีด้วยเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงเวลาแสดงออกนะครับหรือยังไม่ได้ถึงจุดที่จะได้บรรลุสาเร็จตามข้อสามคือมีคนมาคับแคบอยู่บนที่นอนของตัวเองซึ่งมันเป็นจุดสุดท้ายของการครองเรือนโดยมีคู่ครอง ในทั้งหมดนี้พระอรหันต์ท่านไม่ีพระวอาทีเองก็ทราบเพราฉะนั้นจึงตอบตอบปฏิเสธว่าพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างกระวาดอย่างนี้เป็นอนุตตรตอบถูกถูกตอ้ตองถูกตอ้ตองแล้เราคลิกมาดูในหน้าต่อไปซึ่งเป็นข้อที่แปดข้อที่แปดนั้นพระวอาทีก็ถามเราอาทีก็ถามเราเนี่ยเขาต้องการจะแสดง ความเข้าใจของเขาว่าที่เขาพูดว่าพระหัตพึงเป็นพระอรหันต์ได้นั้นเขาพูดด้วยความหมายอะไรซึ่งเราก็รู้ว่าเขาพูดด้วยความหมายอะไรทีงแต่ว่าเราต้องการจะแยกให้ออกเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องพระวจีเขาก็เลยให้ความหมายที่เขาได้กล่าวมาในข้อที่หนึ่งโดยถามเราบอกว่าไม่พึงกล่าวว่าขิขพึงเป็นพระอรหันต์ได้หรือ เราเก็บอกว่าใชา่นะที่เราบอกว่าไม่ควรพูดอย่างนั้นอะไรเพราะคําพูดอย่างนี้เป็นคําพูด ก, กรรังวมไม่ใช่ว่าผิดหมดนะแต่พูดอย่างนี้ไม่ควรพูดเพราะ ก, กรรํังวมควรจะพูดว่าขี้ขีสังโยชน์เป็นอรหันต์ได้แต่ขี้ขี่พญยายนะเป็นอรหันต์ไม่ได้ครับท่านต้มึงกลับมาขี้ขี่พญานะเป็นอรหันต์ได้ขี้ขี่สังโยชน์เป็นอรหันต์ไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ จรงถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าใช่ไม่ควรพูดอย่างนั้นเพราะคำพูดอย่างนั้นมันมีถูกมีผิดข้อเก้าเมื่อประวัติเมื่อเรารับอย่างนี้นะครับประวาทียยก็ขายกแสดงความหมายที่เขาพูดอย่างนั้นโดยเขากล่าวถึงผู้ที่บรรลุในเพศของกระดานว่ายยศบุรบุตรบุตติยะกระนาบดีเสตุมานุก ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งทีหิพยัญชนะมีใช่หรือเราก็บอกว่าใชา่เพราะคนเหล่านี้มาฟังเทศโดยที่ยังไม่ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์โดยยังไม่ได้ทันบวชคือคนที่มาฟังเทศโดยบวชมาแล้วก็มีแะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ในการในในเทศของการบวชบางคนก็ได้มาฟังเทศแล้วก็เกิดความเดิมใจ ได้บวชพอบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นความเพียรจนทั้งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีหลังพวกนี้ก็ไม่ใช่บรรลุในเพศกระด้างอย่างเช่นองค์ุริมาณเนี่นะองคุริมาณนี่ก็เลื่อมใสแล้วก็บวชก่อนแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่หลังคือหลังจากบวชแล้วเมื่อเรารับว่าใช่พระวาทีก็เลยสรุปว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะต้องกล่าวได้ว่าคี้อีคือชาวบ้าน เป็นพระอาหารหันได้เขาก็สรุปซึ่งคําสรุปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่จะต้องพูดกันต่อไปอีกเพราะว่าคําตัวแย้งทั้งหมดนั้นชัดเจนหมดแล้ว่นี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพระอาหารหันะฉะนั้นถ้ามีใครถามว่าชาวบ้านเป็นพระอาหารหันได้หรือไม่ตอบให้ลึกซึ้งก็ตอบอย่างนี้นะครับตอบแบ่งเป็นสองอย่างก็อย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งไม่ได้ เราก็จะพลิกไปดูในเรื่องที่สองที่เกี่ยวกับพระาอารหันต์ตืมต่อไปอเรื่องที่สองนั้นมีความค่อนข้างจะลึกซึ้งหน่อยนะครับมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าอุปปัติกถาอุปปัติก็คือการอุบัติการอุบัติการอุบัตินั้นซึ่งก็แปลว่าการเกิดนั่นเอง แต่ว่าการเกิดโดยคำว่าอุบัติเนี่ยบางทีหมายถึงทุกกำเนิดเลยว่าอุบัติได้ mm hmm. เจนว่าย่อมจุดตีย่อมอุบัตินะฮะอันนี้อุบัติหมายถึงการเกิดแบบกำเนิดใดก็ได้ mm hmm. ดตอนนี้ mm hmm. ก็พูดจังหวะใจตอนนี้นิดเจนว่าในทพิพยจักรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราย่อมเห็นหมูสั mm hmm. ย่อมจุดติ บัตรนี่ในเรื่องของทิปจากคุณหรือบางแห่งก็ตรงตลัดว่า เวลาชาเ น, นเกิดในไใข่อันจ้าคอเนอสังเซติชาแล้วก็อุก อ, อุหรือโอนะฮนะอุบปลาปาจิกาถ้าอย่างนี้จะหมายถึงการเกิดเฉพาะอย่าง จะฟอกําเนิ่ตจะพอแบบไม่ได้หมายถึงกัรเกิดสุขยากหรือต้องแห่งสีทรงศักดิงพระอนาคามีบอกว่าย่อมเป็นปุ ป, ปาติกะใช่ไหมระอนาคามีเป็นผู้ที่ละสัโยชน์ได้กี่พอกี่พ่ อ, อ, อ, อแล้วระอนาคามีนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นปุปปา ปฏิการซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายถึงปัจจุบันเป็นนเป็นพระอนาคามีและเป็นโอปปติกาในทันทีหมายถึงท่านเมื่อตายแล้วจะมีกําเนิดเพียงกำเนิดเดียวไม่ไม่ถึงกำเนิดอื่นและกําเนิดเดียวที่พระอนาคามีจะถึงถึงกำเนิดอย่างนี้ก็เฉพาะภูมิใดภูมิหนึ่งในห้าภูมินั้นแต่ว่าหาภูมิมีห้าภูมิก็คือตาวานาในา เขาเกิดจากอโอปปาติกาเนะนื้อรือโอปปาติกาเนื้นั่นตรงนี้จะหมายถึงเนื้อนั้นคำว่าอุปปาปฏิสติตรงนี้นะครับหมายถึงโอปปาติกาเนิดเป็นเรืนองที่เกี่ยวกับเนื้อความที่จะได้ค่อยอธิบายต่อไปอต่เราก็ เริ่มอ่านคําถามที่หนึ่งกันเลยนะครับคือเข้าเรื่อง เ, เลยคำถามที่หนึ่งเราถามว่าเป็นพระอระหันต์พร้อมกับการขุดเกิดได้หรือพระวารีเขาตอบว่าใช่ก็แปล ว, ว่าพระวารีเขามีความเห็นว่าเป็นพระอระหันต์พร้อมกับการขุดเกิดได้ตรงนี้เราก็มาพูดเป็นลักษณะการตั้งคําถามถามกันก่อนว่า คนที่เป็นพระอรหันต์เป็นในปฏิสนธิการได้หรือไม่ไม่ได้เป็นอนาคามีเป็นปฏิสนธิการได้ไหมไม่ได้เป็นสกิทาการมการมีเป็นปฏิสนธิการได้ไหมเป็นโสดาบันเป็นในปฏิสนธิการไม่ได้สักคนเดียวครับได้ฌานก็ได้ในปฏิสนธิการไม่ได้ได้วิปัสสนาครัมวิปัสสนาในปฏิสนธิการไม่ได้เพราะฉะนั้นคําที่กล่าวว่าเป็นพระอรหันต์ได้ใน สีสนที่การเนี่ยจึงจิดที่เราเราทำความเข้าใจตรงนี้ไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องพูดความเข้าใจตรงนี้สําหรับบางขั้นแทนซะหนอยก่อนจิตของเราเนี่นะครับเมื่อจุดติดในชาตก่อนแล้วปฏิสนธิ จะเกิดขึ้นสิดต่อทันทีลหลังจากนั้นก็เป็นพวังคือหมายว่าจิตหลังจากเกิดนั้นจะต้องหลับก่อนหลับก่อนแล้วจึงขึ้นวิถีที่หลังถ้าเป็นกำเนิดในอันตะชะกับในชาลาพุชชะสองกำเนิดนี้แล้วก็โดยมากจะหลับตออยู่ในพ่อ น, นะครับแล้วไปขึ้นวิถีทรายแต่ถ้าเป็นโอปปะปิกะเแปลว่าหลับ ตามทางเนียมตามธรรมนิยามของจิตชั่วไม่นานก็ตื่นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรับรู้อารมณ์มาต่างได้อย่างพวกเนวดาอะไรพวกนี้ทีนี้มีข้อกําหนดอยู่ว่าจิตที่ทำหน้าที่จุติกบบระปิดสนที่แล้วก็ต้องเป็นผวังทันธดีนะจะเป็นกับทุกคนเหมือนกันหดให้ดีวิเศษยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ใครจะมาตลาดซื้อเรียกว่า เราเนี่ยอาจจะฉลาดตั้งแต่เด็กหรืออาจจะฉลาดตั้งแต่อยู่ในห้องอย่างพระโกติสัตว์หรือผู้ที่มีปัญญาปรมีมากๆอยู่ในท้องก็มีสังเกมีความรู้สึกอะไรได้แหละต่พระพุทธเจ้านียนะเรียกว่าเป็นอัจฉริยะกระทั่งอายุยังไม่ไม่เดินกล้ารแลกของขวัญมันไปอยู่ในท้องแต่ฉลาดยังไงเนีย่ยก็มาถึงตรงนี้แล้วต้องเหมอย่งางหมดพระพุทธเจ้าก็ต้องหลับก่อน จะตลาดตรงนี้ไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรตรงนี้ไม่ได้นี่เป็นข้อกําหนดของจิตทีนี้ใครมาพูดว่าข้าพเจ้าได้ทานตั้งแต่เกิดก็เป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าจิตธรรมดาของจิตหรือว่าพเจ้าบรรลุมรรคผลตั้งแต่เกิดบรรลุมรรคผลคือดีตอนที่ปั๊บ ก, ก็เป็นโสดา ท, าทันทีเป็นอาหารา ท, าทันทีข้อนี้ไม่ได้ เพราะว่ามันม <'s> erm ีข้อขัดแย้งหลายอย่างนอกจากหลักนี้แล้วนะครับอย่างเช่นว่าในนี้ก็ะศกเสียงกันต่อๆไปเนี่ยว่าถ้าท่านบอกว่ากล้าหลานบรรลุได้เมื่อปฏิสมพันธ์สมมุติว่าปฏิสัมพนธ์เป็นอลาหัตผลน่ะเป็นกล้าหลานก่อนที่อลหัตผลจะเกิดกินอะไรเกิดมาก่อนธรรมดาก่อนอลาหัผลไม่กิน